พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ส4พระสูตรที่2ี่สาอจจริยะภูตะธรรมสูตรสูตรว่าด้วยสิ่งอัศจรรย์และไม่เคยมีก็มีขึ้นพระผู้มีพระภาคประทับนาเชตวนารามภิกษุทั้งหลายสนทนากันถึงเรื่องความอัศจรรย์ในการที่พระผู้มีพระภาคทรงระลึกพระชาติได้ว่าเคยเป็นอย่างนั้นนั้นมา เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จมาตรัสถามทราบความก็ตรัสให้พระอานนท์กล่าวถึงความอัศจรรย์เท่าที่ทราบ พ, พระอานนท์ก็กราบทูลตามที่เคยสดับมาในที่เฉพาะพระพักถึงความอัศจรรย์ต่างๆ ต, ตอนพระโพธิสัตว์เมื่อเกิดเมื่อดำรงอยู่ในเทพชั้นดุสิตก็ทรงมีสติสัมปชัญญะเป็นต้นจนถึงความอัศจรรย์ เมื่อประสูติจากพระคันมานดาตรัสเพิ่มว่าเวทนาคือความเสวยหรือรู้สึกอารมณ์สัญญาคือความกำหนดหมายและวิตกคือความตรึกที่ตถาคตรู้แจ้งแล้วย่อมเกิดขึ้นย่อมปรากฏย่อมดับไปสำหรับข้อนี้อัตถกถาอธิบายว่า มีโอกาสพิจารณาสังขารธรรมได้ตลอดเวลาเจดวันไม่เหมือนสาวกที่พิจารณาได้เฉพาะเมื่อประจวบกับสิ่งเหล่านั้นเฉพาะหน้าเมื่อถึงโอกาสพระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่14พระสูตรที่24ภพักุลัทเทรัตเฉริยพูตะธรรมสูตรสูตรว่าด้วยสิ่งอัศจรรย์และไม่เคยมี ก็มีขึ้นของพระพักกุลเถระท่านพระพักกุลอยู่ในเวลุวนาวรามใกล้กรุงราชครื้ชีบเลื่อยชื่อกัสปะเคยเป็นสหายตั้งแต่ครั้งเป็นคฤหอขันของท่านพระพักุลเข้าไปหาท่านพระภกุลถามทราบความว่าบวชมาถึง8ปดสิปีแล้วได้ถามถึงปัญหาเรื่องเคยเสพเมถุนกี่ครั้ง พระภกุละตอบว่าไม่ควรถามเช่นนั้นควรจะถามว่ากามสัญญาคือความกำหนดหมายในการเกิดขึ้นกี่ครั้งแล้วก็เล่าให้ฟังว่าตลอด8ปสิบปีนี้ท่านไม่เคยมีการมสัญญารวมทั้งสัญญาในการพยาบาทในการเบียดเบียนเลยแล้วท่านได้เล่าถึงสิ่งที่ท่านไม่เคยต่างๆ อันแสดงความเป็นผู้บริสุทธิ์พิเศษของท่านตลอดเวลา8ปสปีชีเปลือยเลื่อมใสขอบวชบำเพ็ญเพียรไม่นานก็ได้สำเร็จเป็นพระอระหรันต่อมาไม่ช้าท่านพระภกุละถือลูกกุญแจเข้าไปสู่วิหารบอกแก่ภิกษุทั้งหลายว่าท่านจะปรินิพพานในวันนี้แล้วได้นั่งปรินิพพานในถ้ำกลางภิกษุสง์ ซึ่งเป็นความน่าอัศจรรย์สำหรับเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ภายหลังพุทธปรินิพาน